ส่วนจักสุอย่างที่4เรียกว่าพุทธจักสุคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยพุทธจักสุเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุทรงเห็นหมูสัตว์ผู้มีกิเลสดังทุดีในในตาคือมีปัญญาน้อยผู้มีกิเลสเพียงดังทุดีในใดาตาคือเป็นผู้มีปัญญามากเลยนะคือถ้ากิเลสน้อยก็ปัญญามากะนะถ้าปัญญามากก็ กิเลสน้อยถ้ากิเลสมากปัญญาก็น้อยแหะตามสมควรนะนะนผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการชั่วแนะนําให้รู้ได้ง่ายแนะนําให้รู้ได้ยากบางพวกเป็นผู้มีปกติเห็นโทษและภายในปรโลกอยู่เหมือนในกออุบลในกอปฐมหรือในกอบุญธริกคือกอบัวเนี่ยนะดอกอุบลเขียวนะนะบัวเขียวดอกปฐมบัวหลวงหรือดอกบุญธริกบัวเขา บางชนิดเกิดในน้ำเจริญในน้ำเป็นไปตามน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้นะพวกพวกดอกบัวจมน้ำอ่ะนะบางชนิดเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำบางชนิดเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่พ้นจากน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เซนได้ทรงเห็นมูสัต ผู้มีกิเลสเพียงรังทุลีในในตาคือปัญญาน้อยมีกิเลสเพียงรังทุลีในในตาคือปัญญามากผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนอาการดีอาการชั่วแนะนําให้รู้ได้ง่ายแนะนําให้รู้ได้ยากบางพวกมีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ฉะนั้นก็เหมือนกันนะตรวจดูอัธยาศัยตรวจดูใครเป็นใครเช็คได้หมดนะ พันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราว่าบุคคลนี้เป็นรา่าจริตบุคคลนี้เป็นโทสะจริตบุคคลนี้เป็นโมหจริตบุคคลนี้เป็นวิตตะกะจริตบุคคลนี้เป็นสัทธาจริตบุคคลนี้เป็นญาณจริตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกอสุภากถาแก่บุคคลผู้เป็นราคาจริตตรัสบอกเมตตาภาวนาแก่ผู้เป็นโทสะจริต ทรงแนะนำบุคคลผู้เป็นโมหะจริตในให้ตั้งอยู่ในพระอุเทศปริปุ ช, ชาในการฟังธรรมโดยการสนทนาธรรมตามการให้ในการอยู่ร่วมกับครู น, นะก็แนะนำกรรมฐานตามจริตนะนะอัตราาจริตก็อสุภะนะโทสะจริตก็เมตตาถ้าโมหะจริตก็ต้องเรียนสอบถามฟังสนทนาแล้วก็อยู่ร่วมกับครูอาจารย์ ถ้าเป็นวิต ก, กะจริตก็คือบอกอาณาปานสติแก่พวกวิต ก, กะจริตถ้าพวกศรัทธาจริตก็คือตรัสบอกความตรัสรู้ดีแห่งพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมความที่พระสงค์ปฏิบัติดีแล้วก็คุณธรรมศีลของตนซึ่งเป็นนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแก่ผู้เป็นศรัทธาจริตตรัสบอกอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเป็นวิปัสสนานิมิตแก่ผู้เป็นญาณจริตก็สอนกรรมฐานตามจริตนั่นเอง เปรียบเหมือนว่าบุคคลผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาพึงเห็นหมู่ชนโดยรอบแม้ฉันใดข้าแต่พระสุเมศเนี่ยนะผู้พระองค์ผู้มีปัญญาดีผู้มีพระสมันตะจักสุพระองค์เสด็จขึ้นสู่ปราศาส์อันสําเร็จด้วยธรรมปราศจากความโศกทรงเห็นหมู่สัตว์ที่อาเกียนอยู่ด้วยความโศกผู้อันชาติและชราครอบงำเปรียบฉันนั้นเพราะฉะนั้นดังที่กล่าวมาเรียกว่าพระพุทธจักสุ คำว่าพระพุทธจักสูตรนี้เป็นชื่อของอินเดียโปรปริยัติยานกับอาสญาโนสญาญานจะมีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตรวจเช็คสรรพสัพพตว์ได้อย่างละเอียดละออขณะ น, นี้ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยสมันตะจักสุตอย่างไรคำว่าสมันตะจักสูรก็คือสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานท่านกล่าวว่าสมันตะจักสุต พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณนะคือรับรู้สัพพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสังขารวิการบัญญัตินิพานลักษณะรูปทุกอย่างเนี่ยพระ อ, องค์รับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะด้วยสัพพัญญุตญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นบททําอะไรอะไรอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งหรือไม่พึงทราบไม่ได้มีเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้เฉพาะซึ่งบทธรรมทั้งปวงในยบทใดมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบในยบทนั้นเพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคจึงเป็นพระสมันตะจักสุนะพระตถาคตเป็นผู้มีสมันตะจักสุกลวามีตาโดยรอบเพันพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระสมันตะจักสุอย่างนี้พันสรุปว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจักสุ จากสุห้ประการคือ1ก็ตาเนื้อเดียวกับทิพตะมังสะจากสุ2องก็ตาทิพทิพจากสุ3ก็ตาปัญญาเรียกว่าปัญญาจากสุ4ก็ตาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธจากสุ5ก็มีตาโดยรอบเรียกว่าสมันตะจากสุคําว่าข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทพฤาษีคือเมื่อมีผู้ถามปัญหาเป็นครั้งที่สย่อมทรงพยากรณ์ดังนี้ ความว่าข้าพระองค์ได้ศึกษาทรงจําเข้ากับไปกําหนดไว้แล้วอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าใครทูลถามปัญหาอันชอบกระเหตุเป็นครั้งที่สามย่อมทรงพยากรณ์ไม่ได้ทรงตรัสห้ามถ้าถามถูกต้องนะนะถ้าถามเป็นเหตุเป็นผลถามตามธรรมเนี่ยไม่เกินครั้งที่สามพระองค์จะต้องตอบควาว่าผู้เป็นพระเทพฤาษีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทั้งเทพเป็นทั้งฤาษี ฤศีก Biology ็แปลว่าผู้แสวงหาคุณเนี่ยนะคำว่าชื่อว่าพระเทพฤศีเพราะฉะนั้นพระราชาทรงผนวดแล้วเหมือนกับพระราชาบวชเรียกว่าราชฤศีพราหมบวชเรียกพราหมณ์ฤศีฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทั้งเทพคือวิสุทธิทเทพเป็นทั้งฤศีคือผู้สแสวงหาคุณใหญ่ก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระเทพฤศีอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผนวดแล้วแม้เพราะเหตุ ด, ดังนี้จึงชื่อว่าพระฤศีผู้ที่บวชเรียกว่าฤศีเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสแวงหาเสาะหาค้นหาศีลขันใหญ่เพราะเหตุนั้นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าเป็นพะระฤาษีหรือว่าพระองค์ในทรงเสาะหาแสวงหาค้นหาสมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุติขันใหญ่วิมุติยานัศนะขันอันใหญ่แม้เพราะเหตุดังนี้พระองค์จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสแวงหาเสาะหาค้นหาการทำลายกองแห่งความมืดใหญ่ การทำลายวิปลาสใหญ่การถอนลูกศรคือตันหาใหญ่การคลายกองทิฐิใหญ่การล้มมานะเพียงดังว่าธงใหญ่การสงบอภิสังขารใหญ่การสลัดออกซึ่งโอฆากรีเดีใหญ่การปลงภาระใหญ่การตัดเสียซึ่งสังสารวัตใหญ่การดับความเดือดร้อนการระงับความเร่าร้อนใหญ่การให้ยกธงดังว่าธรรมเนี่ยนะยกธงคือธรรมะเนี่ยโลกุตรธรรมเนี่ยเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพฤษี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาเสาะหาคนหาซึ่งสติปทานสัมมาปทานอิธิบาทอินทรียีพร ะ, ระโพธิชงอริยมรรคใหญ่นิพพานใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเชื่อว่าเป็นพระฤาษีก็สแสวงหาโลกุตระคุณสแสวงหาพระธรรมขันธ์ทั้งปวงสแสวงหาการทำลายความมืดะนะสแสวงหาการรอบรู้ในทุกขาริยสัต์เนี่ยนะแสวงหาโพธิปัจจธรรมโลกุตระธรรมตลอดจนถึงพระนิพพาน อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันสัตว์ทั้งหลายที่มีอานุภาพมากาคือคนมีบุญกันนะนะแสวงหาเสาะหาค้นหาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดาเนี่ยล่วงเทวดาเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้องค์อาจกว่า น, นรชนเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระองค์ชื่อว่าเป็นฤาษีคือคนใหญ่ๆนี่เขาสแสวงหาพระองค์สรุป คำถามของสรุปคําของโมกขราชมโนบว่าข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหามาแล้วสองครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุทั้งหประการก็ไม่ได้ทรงพยากรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระเทพฤาษีมีผู้ถามปัญหาเป็นครั้งที่สย่อมทรงพยากรอันนี้ก็เป็นคําปรารถรำพึงที่ผ่านมานะถามมาแล้วสองรอบ ครั้งที่สามพงต้องตอบแน่ทีนี้ก็คําต่อไปว่าโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกกับเทวโลกย่อมไม่ทราบความเห็นของพระโคดมผู้ทรงยศคือไม่มีใครรู้ว่าความเห็นทิ่ทีของพระองค์นี่เป็นยังไงว่างั้นคำว่าโลกคือโลกทั้งหมดเนี่ยนะโลกทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้ยกมนุษยโลกนี้โลกโลกนี้คือมนุษยโลกนอกจากมนุษยโลกเรียกว่าโลกอื่น พรหมโลกกับเทวโลกความว่ามูสัตพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพราะนั้นชื่อว่าพรหมโลกกับเทวโลกย่อมไม่ทรงทราบความเห็นของพระองค์ความว่าโลกย่อมไม่ทรงทราบซึ่งความเห็นความควรความชอบใจลัทธิอัธยาศัยความประสงค์ของพระองค์ 1> <1> คือไม่รู้ว่าลัทธิของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร wounds? อัธยาสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรความประสงค์ของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้มีความควรอย่างนี้มีความชอบใจอย่างนี้มีลัทธิอย่างนี้มีอัธยาศัยอย่างนี้มีความประสงค์อย่างนี้อันจึงเชื่อว่าไม่ทราบความเห็นของพระองค์คําว่าพระโคดมผู้ทรงยศคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงยศแล้วคือทรงมียศอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์สักการะเคารพนับถือบูชายาเกรง ทรงเป็นผู้ได้ไตรจีวณคือบินจีวณบินทบเสนาสนาักีฬานัปัจัยเภสัชบริการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ทรงยศคําว่าทรงยศคือมีผู้เคารพสกอาระนับถือบูชามากเป็นผู้ที่ได้ปัจใจศีลมากเลยเรียกว่าพระองค์ผู้ทรงยศสรุปว่าโลกนี้คือมนุษยโลกโลกอื่นนอกจากมนุษย์เนี่ยนะพรหมโลกกับทั้งเทวโลกคือหมู่สมณะพราหมณ์ไม่ทราบความเห็นของพระโคดมผู้ทรงยศ ข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเห็นธรรมะอันงามอย่างนี้เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลอกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นอันนี้เอาเอาเข้าสาระนะคเรียกว่าเข้าปัญหาที่ตัวเองประสงค์แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็โฉบมาก่อนยกย่องสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระองค์ผู้เห็นธรรมะอันงามเนี่ยนะ คำว่าผู้เห็นธรรมะอันงามอย่างนี้เขาคือผู้เห็นธรรมะอันงามธรรมะอันเลิศประเสริฐวิเศษประธานอุดมอย่างยิ่งสูงสุดเรียกว่าผู้เห็นธรรมะอันงามคำถามว่าพิจารณาเห็นโลกอย่างไรคือมองเห็นเห็นประจักษ์พิจรารณาเทียบเคียงเจริญทําให้แจ้งอย่างไรพิจารณาโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นคือมัจจุราชไม่เห็นไม่แ ล, แลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะ แปลโดยอัฏฐะเขาบอกว่าพิจารณาโลกอย่างไรจึงจะเลิกตายนะถ้าพูดแบบภาษาไทยเราอะนะแต่พูดสัมโนนท่านก็บอกว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ผู้เห็นธรรมะอันงามอย่างนี้เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นเห็นโลกยังไงจึงจะเลิกตายว่าอ่านนะสรุปก็คําถามเจริญวิปัสสนาอย่างไรจึงจะบรรลุนิพพานอันนี้คําถามนึ่งนะก็อันเดียวกันนะั่นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนโมกรัดท่านจงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เจริญสุญญ า, านุปัสนาเลยนะโลกนะเดี๋ยวจะกล่าวอีกครั้งถอนอัตานุทิฏฐิเสร็จแล้วเพ่งข้ามพ้นมัจจุราชด้วยอุบายอย่างนี้เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นนะต้องมีสติ เห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์หรือเป็นอนาตตาเนี่ยนะถอนอัตตนุทิฐิแล้วก็ข้ามพ้นมัจจุราชนี่แหละวิธีนี้แหละจากมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นว่าจะเลิกตายเหมือนกันคำว่าโลกโลกที่ว่าเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยนะโลกก็คือโลกนรกเดรัจฉานเปรติวิสัยมนุษย์เทวดาอันนี้เรียกว่ากล่าวโดยภูมินะโดยภูมิโดยมูสัตว์ก็คือนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาครัพูดแบบสภาวะก็ขันธาตุอายตนะ แต่แบ่งเป็นนี้ก็โลกนี้โลกอื่นพรหมโลกกับทั้งเทวโลกภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวันโลกโลกดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสวันโลกเพราะเหตุเท่าไหร่น้อแหละคำถามเกี่ยวกับเรื่องโลกนะอะไรคือโลกเชื่อว่าโลกด้วยเหตุเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุเรากล่าววันโลกเพราะเหตุว่าย่อมแตก อะไรแตกล่ะก็จักสุแตกรูปแตกจักขูวิญญาณแตกจักขู่สัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุก ข, ขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยเนี่ยก็แตกเรียกว่าโลกแตกหูแตกจมูกแตกหูแตกเสียงแตกโสตะวิญญาณแตกโสตะสัมผัส แ, <Directory> แตกแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตก จมูกแตกกลิ่นแตกคานะวิญญาณแตกคานะสัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขม ส, สุขเวทนาที่มีคานะสัมผัสเป็นปัาจจัยก็แตก ลิ้นแตกรถแตกชิวหาวิญญาณแตกัสษแตกแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกมั้งกายแตกโพธพภาแตกกายะวิญญาณแตกกายะสัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีกายะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตก มนโนแตกธรรมรมแตกมนโนวิญญาณแตกมนโนสัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะมนโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกดูก่อนพิสูจเพราะธรรมะสามสมีตาเป็นต้นนั้นย่อมแตกเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกโลกแตกแน่นะใครไม่ตาแตกมกั่งนะไม่แตกวันนี้เดี๋ยวสับ ป, ประเลยก็ทําให้แตกว่าหน้าหนึ่งเลยงูแตกจมูกลิ้นกายจใจแตกหมดแลางงา้วเหมัอนกันพังจริงๆว่าโลกเพราะของแตกเหมาอนกัน เห็นในของที่ม <molt cute> ันแตกโดยความเป็นของศูนย์เห็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของว่างนะคือจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ความว่าบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยเหตุ2ประการคือด้วยกําหนดว่าไม่เป็นไปในอํานาจอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างเปล่าอันเนี้ยศูนย์เนี่ยนะศูนย์ก็คือว่างนะว่างเพราะว่าไม่เป็นไปในอํานาจอย่างหนึ่งกับ สุญนญโตคือว่างเปล่าในอย่างหนึ่ง